ชีวิตของพวกเราก็เริ่มมีเวลาที่จะอยู่น้อยลงไปเรื่อยๆพราะเวลานี้เป็นเหมือนกับงูที่จะขมื อ, อยืนเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยเวลานี้เป็นเหมือนงูที่จะกินกินสรรพสิ่งทั้งหลาย ให้หมดไปเวลาผ่านไปผ่านไปก็จะมีคนเสียชีวิตไปตามลำดับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่อมาเกิดแล้วในที่สุดก็ต้องถึงแก่ความตายด้วยกันแต่สิ่งที่ตายนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่พวกเราควรจะวิตกกังวลแต่อย่างใด ถ้าพวกเรามีแสงสว่างแห่งธรรมพวกเราจะรู้ว่าร่างกายและสปปรรพสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราที่พวกเราทุกวันนี้เวลาเกิดการสูญเสียเกิดการพลาดาจากกันแล้วเกิดมีความเศร้าโศกเสียใจ าะเพราะว่าเรามีความหลงผิดนั่นเองเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวเราว่าเป็นตัวเราเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราพอสิ่งที่เป็นตัวที่เราคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราต้องมีการจากไปพวกเราก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจนี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและไม่ได้ปฏิบัติจนสามารถที่จะมองเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้แต่ถ้าเรามันฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อ ย, อยมันปฏิบัติธรรมไปเรื่อ ย, อยใจของเราก็จะเห็นความจริงปรากฏขึ้นมาตามลาดับ พอเราเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นตัวเราเวลาเราสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นของเราที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราเราจะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดเหมือนกับเวลาที่คนอื่นข้าสูญเสียสิ่งต่างๆไป เราไม่ได้ไปเศร้าโศกเสียใจไปกับเขาเพราะเราไม่ได้ไปคิดว่าเขาเป็นของเราั่นเองนี่คือความจริงความจริงนี <c oughs> อยู่ที่ความทุกข์ของเรานี่เกิดจากความหลง ข, งของเราเองเห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจากเป็นดอกบวัวเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเรา เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราพอสิ่งที่เป็นที่เราคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเรามีการจากเราไปเราก็เศร้าโศกเสียใจแล้วเราก็ลืมไปพอเวลาผ่านไปพอเราหาจากเศร้าโศกเสียใจเราก็ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆใหม่ ไปยึดไปติดกับบุคคลต่างๆมหมแล้วก็มาเศร้าโศกเสียใจใมาอีกเพราะเราไม่ยอมมองความจริงเราปล่อยให้ความหลงหลอกให้เราไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เป็นของเราร่างกายนั้นอันนี้เป็นตัวเราดัางนั้นถ้าเราไม่อยากจะ อยู่แบบเศร้าโศกเสียใจเราก็ต้องมาฟังเทศฟังธรรมกันบ่อยๆเมื่อเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจะได้นำเอาไปสอนใจเราอีกต่อเวลาเราฟังครั้งเดียวนี้มันยังไม่เข้าถึงใจหรือว่ามันเข้าไปแล้วมันก็อาจจะจางหายไปได้ ถ้าเราไม่นำเอามาสอนใจเราอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ อ, อยู่เนืองๆพราะถ้าเราไม่พิจารณาแล้วเวลาเกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายเกิดการพัาพกจากกันเราจะ เสียอกเสียใจแต่ถ้าเราคอยสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพลาดพาดจากกันเป็นธรรมดาถ้าสอนอยู่เรื่อยๆเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับเหตุการณ์พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมา เราจะรู้สึกเฉยๆเพราะว่าเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเราเราจะรู้ว่าร่างกายของเรานี้เป็นเหมือนบ้านที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองบ้านที่เราอยู่นี้เราก็รู้ว่าสักวันหนึ่งก็ต้องเก่าต้องชำรุดถ้าซ่อมไม่ได้เราก็ต้องย้ายบ้านใหม่ แต่เราจะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจประการใดเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ตายไปกับบ้านนั่นเองฉันใดตัวเราของเราที่เป็นของเรานี่คือใจนี่แหละเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตายไปกับบ้านไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเราเอามาสอนใจอยู่เรื่อยๆ แล้วเวลาเกิดการสูญเสียเกิดการพลดพลาดจากกาันเราจะไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะเราจะรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเวลาเราเปลี่ยนบ้านเวลาบ้านพังเราก็ต้องย้ายบ้านใหม่เวลารถพังเราก็เปลี่ยนรถใหม่แต่คนขับรถหรือคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนี้คือเราคือใจของเรานี้ ไม่ได้ตายไปกับบ้านไม่ได้ตายไปกับรถยนต์ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี่คือผลที่เราจะได้รับหากเรามาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วนำเอาไปปฏิบัติเพราะว่าการฟังอย่างเดียวการสอนใจอย่างเดียวนี้ยังไม่พอเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในใจเรา ที่ไม่ยอมรับความจริงอันนี้อยู่เขาจะต่อต้านความสิ่งที่ต่อต้านคืออะไรก็คือความหลงนี่เยังหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราบ้านเป็นของเรารถเป็นของเราสามีเป็นของเราภรรยาเป็นของเราบิดามารดาเป็นของเราเราจึงต้องมาตัดกําลัง ตัวที่ต่อต้านเราวิธีที่จะตัดกำลังตัวที่ต่อต้านเราก็คือต้องทำใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบแล้วความหลงที่ต่อต้านเราไม่ให้เราเห็นความจริงจะหมดกำลังไปชั่วคราวเหมือนถูกฉีดยาสลบเหมือนกับเวลาที่หมอจะต้องทำการผ่าตัด จำเป็นจะต้องวางยาสลบให้กับคนไข้ก่อนเพราะถ้าไม่วางยาสลบเวลาผ่านี่คนไข้จะดิ้นนั่นเองจะต่อสู้จะไม่ปล่อยให้หมอผ่าตัดได้อย่างสะดวกสบายฉันใดใจของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ได้วางยาสลบให้กับใจของเราคือด้วยการทำใจให้สงบเป็นสมาธิ ใจของเราจะต่อต้านความจริงจะไม่ยอมรับความจริงจะมีกิริยามีอารมณ์ต่างๆปรากฏตามมาเช่นเวลาเราเห็นคนตายหรือเราเลิถึงความตายนี้ใจเราจะไม่อยากคิดถึงมันเลยเพราะเวลาคิดถึงมันแล้วเกิดความรู้สึกหดหู่ใจ ความหดหู่ใจนี้ก็เป็นเหนือยกับการต่อสู้ของคนไข้เวลาที่หมอผ่าโดยที่ไม่ได้วางยาสลบคนไข้จะดิ้นขึ้นมาทันทีคนที่ยังไม่มีจิตใจที่สงบพอพอต้องมาพิจารณาความตายจะเกิดความรู้สึกหดหู่จะไม่อยากจะพิจารณาจะไม่อยากคิดถึงความตาย พอไม่คิดถึงความตายก็เลยลืมไปว่าเกิดมาแล้วต้องตายกันลืมไปว่าสิ่งที่ตายคือร่างกายนี้เป็นเพียงอาการ32อเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกและอวัยวะต่างๆทำมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนบ้านที่ทำมาจากอิกจฉาปูน จากเหล็กจากไม้จากกระเบื้องเป็นวัสดุก่อสร้างของบ้านวัสดุก่อสร้างของร่างกายนี้ก็คือดินน้ำลมไฟนี่เองดินมาจากไหนดินมาได้อย่างไรดินก็มาทางข้าวที่เรารับประทานนี่แหละข้าวนี้ก็คือดินแท้ๆนี่เองข้าวมาจากที่ไหนถ้าไม่ได้มาจากดิน ดินมาแปลงเป็นเมล็ดข้าวพอมาเข้าร่างกายเราก็มาเป่นเป็นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเวลาผสมด้วยน้ําที่เราดื่มเข้าไปผสมด้วยลมที่เราหายใจเข้าไปจึงทําให้เกิดมีอาการ32คือร่างกายอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะไม่มีเวลาที่จะมารั่งสอนใจกัน ถ้าใจเราไม่สงบเพราะใจไม่สงบแล้วจะไม่ยอมคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ <Yeah. S 1> เพราะคิดแล้วไม่ทำให้เกิดความร่าเริงเหมือนคิดถึงเรื่องของที่เรารักเราชอบแต่เราไม่รู้หรอกว่าของที่เราลักเราชอบนี้เป็นของที่ทำให้เราต้องทุกข์ใจในภายหลังนั่นเอง เพราะของที่เราลักเราชอบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวเวลาที่เราได้สิ่งที่เราลักเราชอบมาเราก็ดี อ, อกดีใจมีความสุขแต่เวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เราลักเราชอบไปเราก็จะต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าเสียใจนี่คือปัญหาของพวกเรา เราชอบวิ่งเข้าหาความเศร้าโศกเสียใจกันเองไม่มีใครบังคับเราให้เดินเข้าหาสิ่งต่างๆเราอยากเข้าหาเ้าเองเพราะเราไม่มีแสงสว่างแห่งทําเรามองไม่เห็นว่าเขาจะต้องสร้างความทุกข์ใหกับเราในภายหลังเพราะเขาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นสิ่งที่ไม่คงเส้นคงวางเหมือนเดิมไปตลอดเวลาได้มาใหม่ๆก็ดีไปหมดแต่พอได้มาเวลาผ่านไปแล้วสิ่งที่ดีก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปของใหม่ก็เริ่มกลายเป็นของเก่าไปแล้วก็เริ่มเกิดการชํารุดทรุดโทแล้วก็เกิดการาเสียหายาหมดสภาพไป อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราไม่พิจารณากันไม่มองกันเวลาที่เราอยากได้อะไรเราชอบอะไรเราจะเห็นเพียงแต่ด้านดีเพียงอย่างเดียวเห็นว่าจะให้ความสุขกับเราจะไม่เปลี่ยนแปลงจะอยู่กับเราไปตลอดแต่พอได้มาแล้วถึงจะรู้ว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลย พอได้มาแล้วเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเช่นของที่เราซื้อมาพอเราใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะเก่าลงเก่าลงแล้วก็เกิดอาการชำรุดสุดโซงขึ้นมาเช่นรถยนต์<ม>เวลาซื้อมาใหม่ๆก็ขับไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่พอใช้ไปนานๆเข้าแล้ว มันก็เสื่อมลงเริ่มมีอาการชำรุดสุดโทรขึ้นมาเวลาจะขับไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ไปดังที่ต้องการเพราะมะีส่วนที่ชำรุดนั่นเองเช่นเวลาสตาร์ทรถก็ไม่ติดหรือสาระรถติดแล้วพอเข้าเกียร์ก็ดับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเสื่อม ที่มีกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคล ร, รือเป็นวัตถุต่างๆถ้าเราคอยสอนใจเราให้คิดถึงส่วนที่เป็นส่วนของความเสือ่อมต้องคิดว่าของที่เราได้มานี้แล้วเดี๋ยวเขาต้องเสื่อมไปเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนไปคนที่เราได้มาก็เหมือนกันเวลา ได้มาใหม่ๆเขาก็ดีกับเราทุกอย่างเอาอกเอาใจเราทุกอย่างแต่พอได้มาแล้วมาอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็จะเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเคยเอาอกาใจเราเขาก็จะไม่เอาอกอาใจเราเมื่อก่อนเขาดีกับเราเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยดีกับเราแล้วหรือดดีน้อยลงบางวันก็ไม่ดีบางวันที่ก็มีอารมณ์ไม่ดี เขาก็จะพูดไม่ดีทําไม่ดีกับเราได้นี่ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เ, เวลาเราเห็นอยากได้อะไรนี่เราจะไม่อยากได้เพราะเราจะไม่ต้องอยากจะมาเจอกับความเสื่อมของสิ่งต่างๆนั่นเองเราไม่ต้องการจะมาเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อมของสิ่งต่างๆเราก็จะอยู่คนเดียวได้ อยู่แบบเรียบง่ายได้ไม่ต้องมีเท่าของเงินทองมากมายก่ายกองมีพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้ก็พอแล้ว <Okay. S 1> หรือถ้าไม่มี <Okay. S 1> ก็จะไม่เดือดร้อนเพราะรู้ว่า <Okay. S 1> ไม่ช้าก็เร็วชีวิตนี้ก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงไป เมื่อมันสิ้นสุดลงไปแล้วต่อให้มีมากมายกองเท่าภูเขามันก็ไม่สามารถที่มายับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของเราได้อยู่ดีสู้มาฝึกทำใจกันดีกว่ามาสอนใจของเราไม่ให้ต่อต้านความจริงให้มารับความจริงว่าเราเกิดมาแล้วเราจะต้องแก่ไปตามลำดับ เราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะต้องตายจากกันไปให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆถ้าใจยังไม่ยอมรับก็แสดงว่าไม่สงบพอเราก็ต้องมาให้ยาสลบกับใจก่อนต้องมาทำสมาธิก่อนภาวนาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องราวต่างๆ ถ้าใจไม่คิดเรื่องราวต่างๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะสงบนิ่งพอสงบนิ่งแล้วใจก็จะเป็นกลางเป็นอุเบกขาจะไม่มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาพอเราออกจากสมาธิมาเราก็สามารถที่จะสอนใจได้สอนใจให้คิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆ แล้วรับรองได้ว่าใจจะไม่ต่อต้านเพราะสิ่งที่ต่อต้านนั้นไม่มีกำลังมากพอแต่ถ้าเราออกมาจากสมาธินานเข้านานเข้าความเป็นกลางของใจก็จะจางหายไปอารมณ์ต่างๆความหลงต่างๆก็จะกลับคืนมาใหม่ ก็จะทำให้เราไม่อยากจะคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็แสดงว่าคนไข้เริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วถ้าอยากจะผ่าตัดต่อก็ต้องวางยาสลบต่อเวลาวางยาเวลาผ่าตัดนี้เขาถึงมีหมอดมยาคอยดูตลอดเวลาว่ายาหมดฤทธิ์หรือยังคนไข้เริ่มมีอาการรู้สึกตัวหรือยัง พอเริ่มรู้สึกตัวเขาก็จะให้ยาวเพิ่มเพื่อที่จะให้คนไข้ไม่รู้สึกตัวจะได้ไม่มาลบกวนการผ่าตนะัดฉันใดถ้าพอเราคิดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายคิดถึงความเสื่อมของสิ่งต่างๆคิดถึงการพลาดพาจากสิ่งต่างๆแล้วใจของเราเริ่มมีอาการไม่อยากจะคิด เราก็รู้แล้วว่าตอนนี้คนไข้คือใจนี้เริ่มต่อต้านแล้วเราก็ต้องกลับเข้าไปทำสมาธิใหม่ทำใจให้สงบใหม่พอใจสงบแล้วไม่ต่อต้านแล้วเราก็ออกมาพิจารณาใหม่พิจารณาเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เราหลงไม่ให้เราลืมเท่านั้นเองพอเราไม่ลืมแล้วเวลาเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เราจะหยุดความอยากได้เวลาเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากอยู่ไปนานๆอยากมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้อยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดมันก็จะเราก็จะหยุดความอยากเหล่านี้ได้เพราะเรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ ไม่มีใครหรอกที่ไม่แก่ไม่มีใครหรอกที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครที่จะไม่ตายกันพอเราจำได้แล้วเราก็จะหยุดต่อต้านเราก็จะไม่วุ่นวายไม่ทุกกับความแก่ไม่ทุกกับความเจ็บไม่ทุกกับความตายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีของคนที่เรารักเราเคารพก็ดี คนที่เรารู้จักก็ดีหรือไม่รู้จักก็ดีอันนี้จะไม่เป็นปัญหาต่อไปเราจะรู้ร่วมหน้าแล้วว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครมายับยั้งความจริงอันนี้นได้และสิ่งที่ตายไปนี้ก็ไม่ใช่เป็นใครที่ไหนเลยไม่ได้เป็นพ่อเราเลยไม่ได้เป็นแม่เราเลยไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องเราเลยไม่ได้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเลย เป็นเพียงแต่ที่อยู่อาศัยของพ่อของแม่ของพี่ของน้องเท่านั้นเองตัวพ่อตัวแม่ตัวพี่ตัวน้องนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะใจนี้ไม่มีวันตายมีแต่ว่ายังจะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปเท่านั้นเองนอกจากพระพุทธเจ้าพออาระอรหันต์เท้านั้นที่ตายไปแล้ว ไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปเพราะท่านมีแสงสว่างแห่งธรรมท่านมองเห็นได้ ว, ว่าการไปมีร่างกายใหม่นิ้มไม่ได้เป็นสุขเลยเป็นทุกข์เพราะว่าไปแล้วก็ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอีกดังนั้นผู้ที่ฉลาดเห็นว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์ก็จะไม่เกิดอีกต่อไป ก็มีพระพุทธเจ้าและพระอาลหลานเท่านั้นที่จะไม่เกิดอีกต่อไปส่วนผู้อื่นอย่างพวกเรานี้ยังต้องไปเกิดต่อเพราะเรายังมีชอบความเกิดอยู่เพราะเรายังอยากจะดูนั่นดูนี่ฟังนูน่นฟังนี่ทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้เราก็ต้องมีร่างกายนั่นเองแต่ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆสอนใจไปเรื่อยๆแล้ว เราจะเห็นว่าความสุขที่เราได้รับจากการเกิดนี้ไม่คุ้มกับความทุกข์ที่เราได้รับเลยเหมือนกับเอาของแพงไปแลกของถูกเอาเพชรไปแลกกับอของถูกเช่นเอาไปแลกกับขยะอย่างนี้ ม, มีใครอยากจะเอาเพชรไปแลกกับขยะบ้าง ไม่มีหรอกนอกจากคนบ้าหรือคนหลงเท่านั้นเองคนที่ไม่รู้คุณค่าของเพชรจึงไปแลกเอาขยะมาเป็นสมบัติของตนฉันใดคนที่รู้ว่าความสุขอันเลิ่อโลกนี้อยู่ที่การไม่เกิดจะไม่เอาความสุขอันเลิ่นโลกนี้มาแลกกับการเกิดเลยอย่างแน่นอน แต่คนที่ยังไม่รู้ความจริงว่าความสุขที่เลิ่อโลกนี้เป็นอย่างไรและเข้าถึงได้อย่างไรก็จะไม่รู้แล้วก็จะเอาสระความสุขอันเลิ่โลกนั้นนี่มาแลกกับความสุขที่เป็นความทุกข์เสียมากกว่าเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บ ทุกข์กับความตายทุกข์กับการสูญเสียทุกข์กับการพลาดพลาดจากธรรมดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราอยากจะมีแต่ความสุขอยากจะไม่ต้องมาร้องผมร้องห้างเศร้าโศกเสียใจเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดการสูญเสียต่างๆขึ้นมาเราก็ต้องมาผ่าตัดใจเรา มาดมยาสลบใจเราแล้วก็พ่าเอาความหลงออกไปจากใจพ่าเอาความอยากต่างๆออกไปจากใจด้วยการนั่งสมาธิด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธ ท, ทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็เอาปัญญามาเอาตัดความเลิกความโกรธความหลง ตัดความอยากต่างๆออกไปจากใจให้หมดนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญมาเมื่อก่อนนั้นท่านก็เป็นเหมือนพวกเราที่ยังมีความวิตกกับความแก่ความเจ็บความตายกับการพัดผ่าจากสิ่งต่างๆไปแต่หลังจากที่พระองค์ได้ปฏิบตัติได้นธรรมนั่งสมาธิได้เจริญปัญญา พระ อ, องค์ก็สามารถตัดเอาความโลภความโกรธความหลงตัดเอาความอยากต่างๆออกไปจากใจได้หมดเหมือนกับตัดเอาเนื้อมะเร็งออกจากร่างกายไปพอไม่มีเนื้อมะเร็งอยู่ในร่างกายแล้วร่างกายก็ไม่เจ็บไข้ได้ปว่วใจนี้ก็มีเนื้อมะเร็งเนื้อมะเร็งของใจก็คือความโลภความโกรธความหลง ความอยากต่างๆนี่เองพอได้รับการตัดออกไปแล้วใจก็ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บอีกต่อไปไม่มีความทุกข์ทรมานใจอีกต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เป็นปัญหาร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาจะสูญเสียสิ่งที่รักบุคคลที่รักไปก็ไม่เป็นปัญหา จะไม่ร้องผมร้องไห้ไม่เศร้าโวกเสียใจเพราะว่ารู้ความจริงและตัดความหลงออกไปความหลงและความอยากที่เป็นต้นเหตุที่สร้างให้เกิดที่ทำให้เกิดความเศร้าสวกเสียใจนี้ไม่มีอยู่ภายในใจแล้วนั่นเองพวกเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันถ้าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงสั่งสอน และถ้าทำไม่ได้ก็จะไม่มีผ้าอรหันตสากวกปรากฏขึ้นมาเพราะพระอรหันตสาโลกก็เป็นพวกเรานี่เองที่หลังจากได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วนำเอาไปปฏิบัติเอาไปทําใจให้สงบแล้วก็เอาไปเอาปัญญาเข้าไปตัดความโลภความขัดความหลงตัดความอยากต่างๆออกไปจากใจจนหมดสิ้น เลยได้กลายเป็นพระอาหารหันต์ผู้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงตามพระพุทธเจ้าตามลำดับกันมาพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันถ้าพวกเราเชื่อฟังคำสอนแล้วปฏิบัติตามอย่างเพ่งขัดอย่างเต็มที่ไม่ช้าก็เร็วใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการ มาวัดมาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปปฏิบัตินี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิติจารณาและปฏิบัติเพื่อความดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไหวเพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย